ในอนุสติท่านสามดการนี้เมื่อคืนที่แล้วได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในด้านของการตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะคือหมายความประสงอารมณ์เป็นสมาธิและก็แนะนําในด้านการใช้ปัญญาพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสง์ เนื้อแท้จริงๆในการเจริญอนุสติทั้งสามรายการหรือว่าทั้งสิบรายการที่จะตอกล่าวต่อไปข้างหน้าการปฏิบัติจริงๆท่านให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อความรู้จริงไม่ใช่เป็นตัวภาวนาแต่การภาวนาก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปกติจิตของเราชอบกระสับกระส่าย <c oughs> เพราะว่าอารมณ์จิตอย่างนี้มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคืออุทะจะกุกูจะมานานแล้วข้ามมาอุทะจะกุกจะ ก, ก็หมายถึงว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ในเมื่อเราที่จะใช้อารมณ์แห่งความเป็นอารมณ์ความคิด <c oughs> ถ้าเราไม่ควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวซิก่อน ความคิดก็่าคิดออกนอกเรื่องนอกราวต่อไปสำหรับวันนี้ก็อยาขอแนะนำอีจุดหนึ่งคือในการด้านทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสติสามโดยการเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอารมณ์ที่ควบคุมกำลังใจ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 รู้สึกว่าจะหนักสุสานนิดหนึ่ง <c oughs> นี่พูดกันถึงอารมณ์ใหม่ <c oughs> หรือว่ามีอารมณ์ยังไม่ชินถ้าหา ว, ว่าอย่างนี้ภาพหายบ่อยๆคราวนี้ใหม่ลืมตาไม่หลับตาแต่ถ้ว่าจะเป็นนั่งจ้องตาเป่จงจนกรทั้งแสบตาน้ําตาไหลอันนี้ไม่ถูกก็มีหลายคน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 เป็นพุทธานุสติกรรมฐานสำหรับภาพที่ติดตามีผลสองอย่างคือในเ น, ในถ้าหากว่าเรานึกตัวนี่เป็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติแต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปีตกากรสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีและกะสิน ถ้าเป็นพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทายตกศินถ้าเป็นพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นอาโลกะศิน A L o K S S S. หรือว่าใสมีแสงสว่างใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอาโลกะศิน์ o K S S. รวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างแล้วจะทำอย่างไหนมาสบายใจ หลับตาสบายใจก็หลับตาหลับตาจิตมันพลานมากกว่าเลืมตาเราก็เลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไรใช้ได้ทั้งสองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกันท่านนี้มาในหนึ่งเสําหมดับพระธรรมคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 อาจิตจับภาพพระองค์นั้นขไว้นึกไว้ในใจเพื่เห็นง่ายถ้าสมมุติว่าตาเห็นนึกเหง่ายแต่ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอยา่าไปคิดว่าท่านนม่มท่านแก่ท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่จําเป็นคิดจับภาพไว้ ว, ว่า อ, อ๋อนี่พระองค์นั้นเป็นที่พระที่เคารพของเราถ้าเราจะภาว น, นาด้วยก็ภาว น, นาว่าสังโฆ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 อย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวนมกถึงภาพพระนั่นอยู่เสมอเสมอเป็นปกติแล้จิตใจไม่สบายแต่หากว่าถ้าการทรงอย่างนี้เสมอเสมอ ผมก็อยากขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปคดีนึกถึงภาพพระสงค์เป็นประจำคนดีจะไปทาไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายหลายองค์ก็ได้ เมฆถึงภาพพระสงฆ์องค์นั้นองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าหลายหลายองค์ก็ได้มาติดอยู่ในใจถ้าสภาวะจิตของท่านทั้งหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือนแล้วทรงอยู่ได้นานๆตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทํานั้นดูบนว่านอกจากว่าผมจะเวลาผมคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพระจิตมันจับอยู่เพราะมันเป็นเอกอตารม์ จะเดินไปเดินมาไปธุรทีิไหนบินท บ, บายก็ตามจิตแั้นก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กำไรพิเศษกําไรที่จะพึงได้นั่นก็คือทิพิจกขุยานแล้วก็จงอย่าไปคิดว่าเราจะศึกษาในด้านทิฏฐิจกขุยาน เราตั้งใจศึกษายอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นพระพุทธรูปแระพระสงค์ก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไรจริตว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นนั้นอย่างนี้เป็นผลแห่งที่เปียกุยยนแน่เพราะอะไรเพราะว่าผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละในด้านพุทธานุสติกรามฐานนี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุด เราว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสก่พระอนุนว่าอนันทาดูก่อนอ น, นุนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่บุคคลเหล่านั้นเขาแม้จะเกาะชายสังฆงติของตถาคตอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรรมฐาน เขาพูดนั้นก็ถือว่าอัตถากุศลถือว่าเขาพูดนั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นอัตถาคตเลยเพราะอะไรพู้นั่งเกาะชายสังกติเห็นแต่นเนือเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจา้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิต ต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตได้มีพระพุทธฎิการัดว่าอานันธะดูก่อนอนนนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าเมื่อตถาคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีแต่บุคคลบนนั้นเจริญพุตานุสติกรรมฐานอยู่เป็นปกติ ตาทาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้เกาะชายสังฆติของตาทาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังฆติของพระพุทธเจา้าเวลานี้พระพุทธเจ้าทันปณิพันธ์ถ้าเราเกาะสังคติอยู่ท่านเราแล้ว เ, เราจะไปไหนก้นในเก่าเอง <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาในอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นทิฏยิคุ ย, ยาน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 นี้สมมติว่าถ้าเราเดินไปที่ไหนในป่านในดงก็ดีถ้าเกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏแม้แต่ภาพวัตถุคือบ้านเบือนอาคารบ้านเรือนและคนแลสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอติต่างสียานเป็นอนุว่า เราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวจนมั่นคงแล่วขอว่าอย่างเดียวว่าเวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธโลกโตามพระประสงค์กอตามจงอย่าคิดว่าเราต้องการที่ไปจั ก, กุยานจิตมันจสซานอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลพลอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน เป็นสมาธิหลวงพ่อปานเคยแนะนําว่าภาพธรรมานุสติกรรมฐานนั้นเขาตั้งนิมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิกแกว้ว <c oughs> เห็นภาพพระพุทธ ร, รูปนึกถึงภาพพระพุทธ ร, รูปนึกถึงภาพดอกมะลิกแกว้วพกรร็ทำที่เป็นดอกมะลิกแก้วทียนหลังไหลออกมาจากพระโอษฐ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้านนั้นแล้วการที่จะมาจับภาพธรรมานุสติกรรมฐานก็ไปใช่ของยากก็ได้ทันทีเรียวว่าเราจะจับภาพสังขานุสติกรรมฐานคือประสงองใดองหนึ่งก็ได้ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเราได้ที่อย่างใดอย่างหนึง่งจะเปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมด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 ผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมหรือาาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบังเอิญ บ, บับงคับบังคับให้คิดกันไปเองตัวปัญญามันเกิดนี้เมื่อเราทำมานั้ในเมื่อเราสรงสมาธิได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทำกรรมาฐานใน4ี่สิบบทนี้ทั้งหมด เพื่อในด้านสมถะภาวนายางได้ย่างหนึ่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานคืออารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญมิปัญนาญานได้ทันทีถ้าเราจารพุทธรูปพระพุทธเจากก้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมาเป็นมิปัญนาญานก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นสําคัญก็ง่ายดี มาพิจรารณาว่าศรี ร, ร่างกายขององค์สมเด็จพระจินนาสีบรมสัสาศนด า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นผู้เลิศและร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุนธผู้มีพระคุณใหญ่ปฏิบัติตามกระแสะสัธามาธิสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรจงสําเร็จ เ, เป็นอาณาตกระพนแต่ว่าเวลานี้พระบรากายขององค์สมเด็จพระทศพล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 แม้แต่พระอาริยสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงอยู่ไดน้นี้ร่างกายของเราลนะร่างกายของบุคคลอื่นเรานี่ก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนอยู่ มีคนถวายเข้าของก็มานับเป็นแสนแสนโกดวิหารแต่ละหลังผ้าแต่ละชิ้นของดีทั้งหมดอย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาศาลแครคันทุกคนดีเขาเป็ น, นางวินางวิสาขามหาบาสิกาก็ราคามากวิหารแต่ละหลังละห ล, ลังนับจํานวนเป็นร้อยโกดพันโกดที่ต้องสร้างกัน แต่ว่าวิหารทั้งหลายเหล่านั้นองสมเด็จพระทรงท่านบรมาศาเสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้พานแล้วเอาไปได้หรือเปล่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ทายของมหาปฏิปฐานสูตรว่าร่างกายก็ดีว่าถุกทั้งหลายคนดี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 นั่นมันก็มีความเสื่อมไปในน้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงแนะนําว่าท่านนั่งไหลเมื่อเห็นแล้วก็เพียงศัตท์ว่าเห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงศัตท์ว่าอาศัยอยู่และจงไม่ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย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 ส, สตัดโมหะความหลงแต่ความจริงราคะกับโลภะนี่ท่านจัดเป็นตัวเดียวกันที่ผมแยกกันก็เพื่อตั้งข้าใจง่ายๆการตัดราคะก็ใช้สกายะติพระโทษกายิัตานุสติกาสุปกรมฐานเป็นตัวนำการตัดโลภะความโลภ ก, ก็ตัดอารมณ์ที่อยากจะรวยทิง้งไปเสียมีการให้ทานแทน ในการตัดโทสะก็ใช้พรมีหารสีซึ่งเป็นของง่ายดีหรือว่าจะใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือกรสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวขึ้นมาทาให้เป็นเอกาตารมคือทรงฌานแล้วก็ถ้าจะตัดโมหะก็ใช้อานาจวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริง ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, นม่มีความเสื่อมไปในทแงกลางมีการสลายตัวไปนในสุดทุกสิ่งจะเป็นคนก็ตามใสกม่ก็ตามวัตถุก็ตามเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่สามารถจะเป็นเจ้าของตลอดกาลถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนี้นั้นโยเป็นปกติจิตใจค น, น, นพุทธบุตรบริสุของบรรดาทางพุทธบริษัทก็จะเป็นอารมณ์ปลดคือปลดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เกาะในอะไรทั้งหมดในเมื่อารมณ์ของเราไม่เกาะในอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่ไมเดือดไม่ร้อนใดๆสภาวะอย่างใดจะพึงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าท่านจบ ก, กิจในพระพุทธศาสนาขึ้นช่อว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วองค์สมเด็จพระบะทีพแก้วกล่าวว่าถ้าขันห้าของท่านสลายตัวมายอันดับนั้นทะเเรียก่าพรินิพพาน อาราบดาท่านพุทตรบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปอารรดาท่านพู้ตรบริษัททั้งหลายจงรักษากําลังใจของท่านตามอธัธยาสัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี